2. ธรรมสวรณสูตรว่าด้วยการฟังธรรมภิกษุทั้งหลายการฟังธรรมมีอนิสง์ห้าประการนี้อนิสง์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทําความเห็นได้ตรง 5. จิตของผู้ฟังธรรมย่อมเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายการฟังธรรมมีอนิสงฆ์ห้าประการนี้แลธรรมสวรณสูตรที่สองจบ 3. อัอัศสสาชานียสูตรว่าด้วย องค์ประกอบของม้าอาชาในภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันธีของพระราชาประกอบด้วยองค์หประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์หประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรง 2. ความมีเชาสามความอ่อน 4. ความอดทน 5. ความสงี่ยม ม้าอาชาในพันธีของพระราชาประกอบด้วยองค์ห้าประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ชั้นใดภิกษุกว่าชันนั้นเหมือนกันแลประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรง 2. ความมีเชาสา 3. ความอ่อน 4. ความอดทน 5. ความสงเง่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทํห้าประการนี้แหลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทําอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก อาสาชาิยสูตรที่สจบ mm. 4. พระสูตรว่าด้วยพระภิกษุทั้งหลายพระห้าประการนี้พระห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพระกำลังคือศรัทธา 2. หิริภละกาลังคือหิริ 3. โอตปะภละกำลังคือโอตปะ 4. วิริยะภละกำลังคือวิริยะ 5. ปัญญาภละกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายภละห้าประการ น, นี้แหลพภะละสูตรที่สี่จบ เจโตขิละสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูหประการนี้กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในศาสดาจิตของภิกษุผู้เคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสในศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืงน่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเคร yani er ื่องตรึงจิตดุดตะปูประการที่หนึ่งของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียร <PM. S 1> เพื่อประกอบเนืงน่งเนือง <for Republicans, S 1> <ๆ>เพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียร 2. เครื่อแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในธรรมละถึง 3. เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสง 4. ์เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่ เ, ใใเลือลงสงส่อมใส ใ, ในศิคาห้าเป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายจิตของภิกษุผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบ มีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตปูประการที่ห้าของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบห น, นึ่งเนืองเพื่อกระทาต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตปูหประการนี้แล เจโตขีละสูที่ห้าจบ 6. วินิพันธสูตรว่าด้วยกิเลสเครื่องผูกใจภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจหประการนี้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 ไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียรนี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่หนึ่งของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบําเพ็ญเพียร 2.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 หรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพตนใดตนหนึ่งจิตของภิกษุผู้ประพฤติ พ, พรหมจรรย์ด้วยความปรารถนาเป็นเทพนิ ก, กายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลวัดตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะเป็นเท พ, พเจ้าหรือเทพตนใดตนหนึ่งนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบเนืองเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียร นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่5ของภิษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรภิษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้แลวินิพันธสูตรที่6จบ ยาคุสูตรว่าด้วยอ น, นิสง์ของยาคูภิกษุทั้งหลายอ น, นิสง์ของยาคูเข้าต้ม5ประการนี้อ น, นิสง์ของยาคู5ประการอะไรบ้างคือ 1. บรรเทาความหิว 2. ระ ง, งับความกระหาย 3. ให้ลมเดินคล่อง 4. ชำระลำไส้ 5. เผาอาหารที่ยังไม่ย่อยให้ย่อย ภิกษุทั้งหลายอานิสง์ของยาคูห้าประการนี้แหลยาคูสูตรที่เจ็ดจบ 8. ทันตะกัทธสูตรว่าด้วยไม้สีฟันภิกษุทั้งหลาย โทษของการไม่เคี้ยวไม้สีฟันห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ตาฝ้าฟาง 2. ปากเหม็น 3. ประสาทที่นารสอาหารไม่หมดจดดี 4. ดีและเสมหะหุ้มห่ออาหาร 5. อาหารไม่อร่อยแก่เขาภิกษุทั้งหลายโทษของการไม่เคี้ยวไม้สีฟันห้าประการนี้แลภิกษุทั้งหลาย านิสงของการเคี้ยวไม้สีฟันห้าประการนี้านิสงห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ตาสว่าง 2. ปากไม่เหม็น 3. ประสาทที่นํารสอาหารหมดจดดี 4. ดีและเสมหะไม่หุ้มห่ออาหาร 5. อาหารอร่อยแก่เขาภิกษุทั้งหลายานิสงของการเคี้ยวไม้สีฟันหประการนี้แหล ทันตะกัดทศูตรที่8จบเก้าขีตัสระสูตรว่าด้วยโทษของการแสดงธรรมด้วยเสียงขับยาวภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับยาวมีโทษห้าประการนี้ โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. แม้ตนเองก็กำหนัดในเสียงนั้น 2. แม้ผู้อื่นก็กำหนัดในเสียงนั้น 3. แม้พวกข้าบดีก็ตำหนิว่าพวกสมณะสักยบุตรเหล่านี้ย่อมขับเหมือนพวกเรา 4. เมื่อภิกษุพอใจการทำเสียงความเสื่อมแห่งสมาธิย่อมมีหมูคนรุ่นหลังพากันตามอย่าง ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวทำด้วยเสียงขับยาวมีโทษห้าประการนี้แลคีตสระสูตรที่9จบ 10. มุททัสติสูตรว่าด้วยภิกษุผู้หลงลืมสติ ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะนอนหลับมีโทษหประการนี้โทษหประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นทุกข์ 2. ตื่นเป็นทุกข์ 3. าฝันลามก 4. เทวดาไม่รักษา 5. น้ำอสุจิเคลื่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะนอนหลับ มีโทษห้าประการนี้แลภิกษสุทั้งหลายภิกษสุผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะนอนหลับมีอนิสง์ห้าประการนี้อนิสง์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันลามก 4. เทวดารักษา 5. น้ำอสุจิไม่เคลื่อนภิกษสุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะนอนหลับมีอนิสง์ห้าประการนี้แลมุตตัสติสูตรที่10บจบกิมพิละวัคที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. กิมพิละสูตร 2. ธรรมสวรณสูตร 3. อัสาชานิยสูตร 4. พรละสูตร 5. เจโตขิละสูตร วินิพันธสูตรเจ็ดยาคุสูตรแปดทันตะกัสูตรเก้าคีตสระสูตรสิบมุทัสติสูตรสองอโูสกะวั หมวดว่าด้วยโทษของการดา่าหนึ่งอโกสกะสูตรว่าด้วยโทษของการดา่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ด่าบริภาพเพื่อนพรมจารีว่าร้ายพระอริยะพึงหวังได้โทษหประการโทษห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งต้องอาบัติปารชิกหรือตัดรรมเป็นเครื่องปิดกัน้น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 2. พันธนากาลกะสูตรว่าด้วยโทษแห่งการทำความบาดหมางภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำความบาดมางทะเละวิวาททำความอื้อเฉาก่ออติกรในสงพึงหวังได้โทษหประการโทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว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 สาศีละสูตรว่าด้วยศีลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติมีโทษหประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวิ น, นัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่หนึ่งของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติ 2. กิติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีนย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษประการที่สองของบุคลบบคลผู้ทุศีนเพราะศีลวิบัติ 3. บุคคลผู้ทุศีนมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยะบริษัทก็ตามพรามณ์บริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่ก ล, กล้าเกอ้อเขินเข้าไป นี้เป็นโทษประการที่3ของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีนวิบัติ 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีนวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่4ของบุคคลผู้ทุศีนเพราะศีนวิบัติ 5. บุคคลผู้ทุศีลมีศีนวิบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก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 4. พระหุพาณิสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พูดมากภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พูดมากมีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. พูดเท็จ 2. พูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจอ้อ 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก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 ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พูดด้วยมันตามีอันิสงห้าประการนี้แหลพระหุภานิสูตรที่สจบ 5. พระถมมาอักขันติสูตรว่าด้วยความไม่อดทนสูตรที่หนึ่ง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 ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายความอดทนมีอนิสง์ห้าประการ น, นี้แลพระธมะอักขันติสูตรที่หจบ 6. ทุติยาอักขันติสูตรว่าด้วยความไม่อดทนสูตรที่สอง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 ความไม่อดทนมีโทษ5ประการนี้แหล่ภิกษุทั้งหลายความอดทนมีอนิสง์ห้าประการนี้อนิสง์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก 2. เป็นผู้ไม่ดุร้าย 3. เป็นผู้ไม่มีวิปติสาร 4. เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตายห้ 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในธรรม อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์ 4. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศิกขาห้าอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงกันและกันกิมพิละนี้แลเหตุปัจจัยให้ัรธรรมไม่ดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วพระกิมพิละทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากิมพิละเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในาศาสดา 2. ออยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในธรรม 3. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสงฆ์ 4. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสิก ข, ขาห้าอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงกันและกันกิมพิละนี้แลเป็นเหตุปัจจัยให้สัตวรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วกิมพิละสูตรที่1จบ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 จิตของผู้ฟังธรรมย่อมเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายการฟังธรรมมีอนิสงส์ห้าประการนี้แลธรรมสวนณสูตรที่สองจบ 3. ามอัสสาชานียสูตรว่าด้วย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 อาสาชานิยสูตรที่สจบ 4. พภละสูตรว่าด้วยพละภิกษุทั้งหลายะละห้าประการนี้พละห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภละกำลังคือศรัทธา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 ไม่เลื่อมใสในศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกรอบเนืองเนือง anut, เพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียร น, นี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุตะปูประการที่หนึ่งของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกรอบเนืองเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื warmer, ่อบำเพ็ญเพียร 2. เครื่อแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในธรรมละถึง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 นี้เป็นกิเลสเครื่องผูกใจประการที่5ของภิกษุผู้มีจิตไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อประกอบหนึ่งเนืองเพื่อกระทําต่อเนื่องเพื่อบาเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการนี้แลวินิพันธสูตรที่6จบ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 โทษของการไม่เคี้ยวไม้สีฟันหประการนี้โทษห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ตาฝ้าฟาง 2. ปากเหม็น 3. ประสาทที่นำรสอาหารไม่หมดจดดี 4. ดีและเสมหะหุ้มห่ออาหาร 5. อาหารไม่อร่อยแกเขาภิกษุทั้งหลายโทษของการไม่เคี้ยวไม้สีฟันหประการนี้แลภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้กล่าวทมด้วยเสียงขับยาวมีโทษห้าประการนี้แลคีตัสระสูตรที่เก้าจบสิบมุตถาสติสูตรว่าด้วยภิกษุผู้หลงลืมสติ